แนะนำบทอัลกอมาดบทอัลกอมาดเป็นบทมักกียะห์มี 55 องค์การบทนี้เริ่มด้วยการกล่าวถึงปาฏิหาริย์แห่งจักรวาลนั่นคือปาฏิหาริย์การแยกดวงจันทร์ออกเป็น 2 ซีกซึ่งเป็นหนึ่งในหลายปาฏิหาริย์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งนี้เนื่องจากว่าพวกมุชริกีนได้ขอให้ท่านนําปาฏิหาริย์อันชัดแจ้งมาแสดงเพื่อเป็นการบ่งบอกชี้ถึงความจริงของท่าน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 ก็ได้กล่าวถึงชะตากรรมของบรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้นและสิ่งที่พวกเค้าได้รับในโลกนี้เช่นการลงโทษและความพินาศในรูปแบบต่างๆกันต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงบรรดาผู้ละเมิดยิ่งยโสจองหงของประชาชาติต่างๆในอดีตที่ปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดารอซูลของพวกเค้าแล้วลอกก็ได้ทำลายล้างพวกเค้าอย่างน่าสะยดสะหยองที่สุด พระองค์ทรงลงโทษพวกเขาทั้งหมดโดยปราศจากข้อยกเว้นองค์การต่างๆได้กล่าวถึงหมู่ชนของอาร์ตสมุทรและหมู่ชนของรูทและหมู่ชนของฟิราอว์และหมู่ชนอื่นๆซึ่งเป็นผู้ละเมิดยะโซโอหังอย่างละเอียดพร้อมกับวาดภาพให้เห็นถึงการลงโทษในรูปแบบต่างๆกันหลังจากที่ได้เผยให้เห็นถึงภาพลักษณ์อันเจ็บปวดคือภาพลักษณ์แห่งการลงโทษ ซึ่งได้ประสบกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดารอซูลของอัลเลาะห์บทนี้ได้มุ่งสนทนากับพวกกุเรชและได้กล่าวเตือนพวกเขาให้ตระหนักถึงชะตากรรมซึ่งจะมีสภาพเช่นเดียวกับชะตากรรมของกลุ่มชนในอดีตและจะมีความรุนแรงยิ่งกว่าเสียด้วยบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงบ้านปลายของบรรดาผู้ที่มีความสุขบรรดาผู้ที่มีความยำเกรง หลังจากได้กล่าวถึงชะตากรรมของบรรดาผู้ที่มีความทุกข์บรรดาอาจารย์ก่อนตามรูปแบบของอัลกุรอานในการรวมระหว่างการเรียกร้องเชิญชวนให้กระทำความดีและการขู่สัมทับในการกระทำความชั่วด้วยสำนวนของอัลกุรอานที่น่าประทับใจยิ่งบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَشَقَّ الْقَمَرُ وَالْقِيَامَةُ دَائِلٌ قَرِيبٌ وَالْقَمَرُ قَدْ تَبَاعَدَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يُعْرِضُونَ وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ และกล่าวว่านี่คือมายากลที่มีมาก่อนแล้ววะกัซซะบูวัตตะบะอูอะฮวาอุมวะกุลลุอัมรินมุสตะกิดละพวกเขาได้ปฏิเสธและปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายตามของพวกเขาและกิจการทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกําหนดวะละกอดจาอะฮุมมินัลอันบาอ์มาฟีฮิมุซดะญัจ ละโดแน่นอนได้มีข่าวคราวในอดีตมายังพวกเค้าแล้วซึ่งในนั้นก็มีข้อตักเตือนแก่พวกเค้าอัลกุรอานนี้เป็นวิทยปัญญาอันลึกซึ้งแต่การตักเตือนนั้นไม่บังเกิดผลแก่พวกเค้าดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงหันหลังให้พวกเค้า ในวันซึ่งพวกเรียกร้องอิสรอฟีนจะเรียกร้องไปสู่สิ่งที่น่าสยองขวัญคุชออันอับซารุมยัครูจูนมินัลอัจดาฟกอนนะฮุมจะราดุมมุนตัชิดสายตาของพวกเขาจะลดต่ำลงขณะที่พวกเขาออกจากสุสานเสมือนดังพวกเขาเป็นตะกาตานที่บินว่อนมุฮฏีอีนอิลัดดาอ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ رีบวิ่งไปยังผู้เรียกร้อง พวกปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่ลำบากยิ่ง كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ قَوْمُهُمْ นั้นกลุ่มชนของนวกได้ปฏิเสธพวกเขาได้ปฏิเสธข่าวของเราโดยกล่าวว่าเขานวก เป็นคนบ้าและถูกขู่บังคับตะจาร็อบบะฮูอันนีมักลูบฟันตัสิดเขาจึงวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาว่าแท้จริงฉันถูกพิทิตเสียแล้วได้โปรดช่วยเหลือฉันด้วยตะจะฮนาอบวาบัสซมาอบิมาอ์มุนฮัมิดดังนั้นเราจึงได้เปิดประตูแห่งชั้นฟ้า hai nam fon the long ma yang nak wa fajjarnal ad'yun fa altaqal ma'u ala amrin qad qudir la rao dai tham hai phan din yak ok pen ta nam dang nan nam fon lae ta nam dai ma ban chob kan tam kham sang thi dai thuk kamnot wai laeo wa hamalnahu ala zati alwah wa dusur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 แล้วมีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้นพวกอาร์ดได้ปฏิเสธดังนั้นการลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นไรบ้างอินนาอรสลนาอะลัยฮิมรีฮันซับซอรันฟียอมินฮัสมุสตะมิร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 การลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นไรบ้างอะลอกอดยัสซัรนาลกุรอานลิดดิกรฟะฮัลมินมุดดึกิรเราได้นำเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การดํารึกแล้วมีผู้ใดบ้างรับข้อตักเตือนนั้นกัซซะบัตซะมูดบินนุดรพวกซะมูดได้ปฏิเสธผู้ตักเตือนกะกอดูอับชะรันมินนาวาฮิดันนัตตะบะอู inna idhal fi dalalin wasudhu พวกเขากล่าวว่าคนธรรมดาจากพวกเรานี้น่ะหรือที่จะให้เราปฏิบัติตามเขาดังนั้นเราก็จะอยู่ในการหลงทางและเป็นบ้าอย่างแน่นอนเอออุลกียซซิกรูอะลัยฮิมินไบนาบัลฮุวะกัซซาบอัชิดศาลนั้นถูกส่งมาให้แก่เขาแต่เพียงผู้เดียวอื่นจากพวกเรา เขาเป็นคนพูดเท็จไร้มันญาติกันน่ะพรุ่งนี้พวกเขาก็จะได้รู้ว่าใครเป็นคนพูดเท็จไร้มันญาติกันแน่อินนามุซิลุนนากะตฟิตนะลาฮุมฟารตะกิบุมวัสตบิรแพติเราส่งอูฐตัวเมียตัวหนึ่งมาเพื่อเป็นการทดสอบแก่พวกเขา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 เขาได้จับมันฆ่าด้วยดาบอย่างทารุณดังนั้นการลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นใดบ้างอินนาอรสลนาอะลัยฮิมซัยฮะตันวาฮิดตันฟะกานูกะฮชีมิลมุคตะซิดแพทติงเราได้ส่งเสียงกำปนาทเพียงครั้งเดียวลงบนพวกเขา แล้วพวกเขาก็กลายเป็นเช่นเศษไม้แห้งๆ ولا قد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر لقد แน่นอนเราได้ทําให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การดํารึกแล้วมีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้น كذبت قوم لوط بنضر กลุ่มชนของลูทได้ปฏิเสธต่อการตักเตือน إننا وسلنا عليهم حاصبا الا ننط نجيناه بسحر แทจริงเราได้ส่งพายุหินจากท้องฟ้าลงบนพวกเขานอกจากวงวานของรูธเราได้ช่วยพวกเขารอดพ้นในยามรุ่งสาง نعمت من عيادنا كذلك نجزي من شكر เป็นความโปรดปรานจากเราเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่ผู้กตัญญูและโดยแน่นอนเขารู้ได้ตักเตือนพวกเขาถึงการลงโทษของเราแต่พวกเขาได้โต้แย้งข้อตักเตือนของเรา และโดยแน่นอนพวกเขาได้ขอร้องแก่บังคับเขาให้ส่งมอบแขกของเขาแก่พวกเขาดังนั้นเราจึงให้ในตาของพวกเขาบอดลงฉะนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษของข้าและการตักเตือนเถอะวะลากอดซับบะฮุบุกเราะตันอะซาบุมมุสตะกิดและโดยแน่นอนการลงโทษอันต่อเนื่องก็ได้เกิดขึ้นแก่พวกเขาในเวลาเช้ารูกุอะซาบีวะลุด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 พวกปฏิเสธศรัทธาในหมู่พวกเจ้าจะดียิ่งกว่าพวกเหล่านั้นกระนั้นรึหรือว่ามีการยกเว้นโทษสำหรับพวกเจ้าระบุไว้ในคัมภีร์หรือพวกเขากล่าวว่าพวกเราทั้งหมดนั้นเป็นผู้ชนะ พลพรรคพวกนี้จะพ่ายแพ้และพวกเขาจะผินหลังวิ่งหนี That is saatu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amr แปลว่าวันอวสานนั้นเป็นกำหนดเวลาการลงโทษของพวกเขาและวันอวสานนั้นทุกข์ทรมานยิ่งและขมขื่นยิ่งกว่า Innal mujrimina fi dalalin wa surr แท้จริงบรรดาผู้มีความผิดนั้นจะอยู่ในการหลงทางและการเผาไหม้เดี๋ยวมาย์ซะฮะบูนฟินาริอะลาวุจูฮิฮิมซูกูมัสซะกัรวันที่พวกเขาจะถูกลากคว่ําหน้าลงสู่ไฟนรกจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสแห่งการเผาไหม้เถิดอินนากุลละชัยอ์อินคอละกนาฮูบิกอดัรแท้จริงทุกๆสิ่งนั้นเราได้สร้างมันตามสัดส่วน وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ لَكِتَّكَارِ الْغَوْرِ فِي الْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ لَّدُونَ النَّارِ نَحْنُ الَّذِينَ أَهْلَكْنَا قُرُونًا كَثِيرَةً فَهَلْ مِن مُّنذِرٍ وكل شيء فعلوه في الظُهُر لاทุกทุกสิ่งที่พวกเค้ากระทำมันนั้นมีอยู่ในบันทึกแล้ว وكن صغير وكبير مستتر لاทุกทุกสิ่งทั้งเล็กและใหญ่ก็ได้ถูกบันทึกไว้แล้ว ان المتقين في جنات ونهض แท้จริงผู้ยำเกรงนั้นอยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลาย และมีแม่น้ำหลายสายซีมะกออดีศิดกินยันดะมะลิกุมมุกันตะดิดในสถานที่อันทรงเกียรติณที่พระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพ